เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุนีฉัพพัขีใช้เครื่องประดับของสตรีในสิกขาบทที่สีนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอรกะโลมะสมุดฐานละ